กราบบูชาพระรัตนตรยัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อทีหลวงพ่อคำเขียนวหวความเคารพมายังพระอาจารย์สุรินทร์พระเทระเพื่อนสาธยมิกเจริญพรมายังแม่ชีแล้วก็อุบาสกเบสิกาทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกตินะนั่งกันตามสบาย นะมีสติรู้อยู่นะขณะที่เรานั่งนะเดิมจริงๆว่าจะพูดเมื่อเช้านะแต่ทีนี้ก็มีเหตุให้ต้องเลื่อนมาเป็นตอนเย็น <c oughs> ก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะที่เรามาร่วมกันทำวัด <c oughs> สาธยายมนและก็ได้ฟังธรรมนะบางวันก็ ฟังจากหลวงพ่อเทียนบ้างหลวงพ่อคำเขียนบ้างพระอาจ า, ารย์ไพศาลบ้างนะัเรียกว่าครูบาอาจารยนะ์แต่ละท่านนะก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะสำหรับการฟังแต่ก็ยังเสียดายว่าไม่สามารถจะสื่อสารกับคนจีนได้ก็ไม่เป็นไรเนาะ ก, ก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เก็บอารมณ์ของคนจีน ซึ่งเข้าใจว่าก็คงมีความเข้าใจร่วมกันวันนี้ก็มีพระบทใหม่อีก3รูปแล้วก็มีพระจีนอีกรูปหนึ่งศึกไปนะก็มีการบทเข้ามามีการศึกออกไปนะก็ตามเหตุการณ์ตามความเหมาะสมได้สังเกตนะกลุ่มคนจีนที่มาเนี่ยนะเขามีความตั้งใจนะในการที่จะมาปฏิบัติ <c oughs> แยกย้ายกัน ใช้ลานหินโค้งนะใช้บริเวณใต้หอไตยัยนะก็ดูเขาจะตั้งใจกันในการปฏิบัตินะก็ปฏิบัติกันสบายๆนะไม่ได้ เ, เคร่งเครียดอะไรมากนะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะของวัดป่าสุกโตนะซึ่งเป็นบรรยากาศของสถาบันสติปัฏฐานนะซึ่งใครเข้ามานะก็คงจะ มีจุดมุ่งหมายนะหรือมีความตั้งใจนะที่จะมาเรียนรู้นะเรื่องของกายเรื่องของใจนะการมาบวชก็ดีการมาอยู่วัดก็ดีนะเราได้ยินข่าวนะจากสื่อต่างๆบ้างหนังสือบ้างนะก็ตั้งใจนะที่จะมาเรียนรู้มาศึกษาเรื่องนี้ใน กิ <c oughs> จวัตรประจำวันเรานะตั้งแต่เช้านะจนถึงเย็นจนถึงคำ่ำนะนอกจากกิจกรรมตามปกตินะเราก็พยายามที่จะใส่ใจนะมีความสนใจนะที่จะรู้สึกตัวนะกับกิจกับกิจวัตรประจำวันนะนอกจากการทำในรูปแบบนะก็คือการเดินจงกรมสร้างจังหวะนะนี่เป็นส่วนสำคัญ นะเรียกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใหม่นะคนที่มาใหม่หรือพระที่บวชใหม่เนี่ยนะได้ควรศึกษาเรื่องพวกนี้จะมาบวชกี่วันจะมาอยู่กี่วันก็ตามนะให้เรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วจะได้รับประโยชน์จากวัดป่าสุกโตจริงๆการมาวัดป่าสุกโตถ้าเรามาก็มานั่งเล่นนอนเล่น มาสบายๆหนะลบความเครียดหลบความกัดกลุ่มนะช่วบครูช่วยยามแลนะเราไม่ได้มาฝึกตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนนะจะมีปัญหามีความทุกขนะ์ไม่รู้จะออกทางไหนนะได้มาอยู่ที่วัดป่าสุกโตนาะเงียบๆสงบอากาศเย็นสบาย นะก็ช่วยคลายทุกข์ไดนะ้เรียกว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยมันช่วยในการที่จะทําให้เราคลายความตึงเครียดนะเมื่อเราอยู่ในสังคมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยกเ็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้รับจากบรรยากาศสภาพแวดล้อมทั้งในส่วนของที่เป็นธรรมชาติแล้วก็หมู่คนนะที่อยู่ร่วมกันนะเราเห็นว่าที่วัดป่าสุกโตเราก็ไม่ได้มีงานอะไรมากมาย เรต่างคนก็ต่างทํากิจวัตรประจําวันนะช่วยส่วนรวมทําเรื่องส่วนตัวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญสตินะเป็นส่วนสําคัญนะเมื่อเราทํากิจวัตรส่วนรวมเสร็จแล้วนะเราก็มาทํากิจวัตรส่วนตัวนะการเดินจงกลมสร้างจังหวะนะหรือการประยุกตนะ์เอาความรู้สึกตัวไปใช้กับการกับงานนะซึ่งตรงเนี้เป็นจุดสําคัญ คนที่มาใหม่อาจจะไม่เข้าใจว่าเอา๊ะมาทำอะไรยกไม้ยกมือนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการนั่งหลับตาการนั่งนิ่งๆ น, นะไม่ต้องคิดอะไรนะแล้วมันก็สบายดีนะซึ่งตรงนั้นนั่นก็เป็นจุดที่อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญในการที่จะเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจของเราการเจริญสติเนี่ย จุดประสงค์สำคัญก็คือให้เรามารู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจโลภกดหลงอันนี้เป็นจุดสำคัญนะซึ่งหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะท่านได้พูดเอาไว้ชัดเจนนะแล้วก็ไปตรงกับที่พทธเจ้าท่านก็พูดเอาไว้นะก็คือความหลงความไม่รู้ เท่าทันความคิดปรุงแต่งสิ่งที่จะมารู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งก็คือความรู้สึกตัวนะหรือเรียกว่าสติสัมปชัญญะนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะเน้นนะที่วัดป่าสุขโตเนี่ยเราจะเน้นตรงนี้มากนะเป็นสิ่งที่เราทำกันเป็นประจำนะแล้วเราก็ทำอยู่ทุกวันและเราไม่ได้ทำเฉพาะในรูปแบบนะเราทำนอกรูปแบบด้วย เมื่อเราทําการทํางานเราก็ไม่ลืมที่จะรู้สึกตัวกับสิ่งที่ทําอยู่เฉพาะหน้าจะทําครัวก็ดีจะกวาดใบไม้ก็ดีจะเข้าห้องน้ําจะกินข้าวเราก็มีความรู้สึกตัวเราไม่ได้แบ่งว่า เ, ออเราจะฝึกก็ทําในรูปแบบพอเราออกจากรูปแบบแล้วเราไปกินข้าวเราไปทํำนั้นทนํานี่เราหลงลืมไปเราไม่ได้ ทำความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องซึ่งตรงนี้เนะี่ยเป็นจุดอ่อนนะทาให้การเจริญสติหรือการฝึกของเรานะั้นเนิ่นช้าการฝึกเจริญสติเนี่ยควรจะทำให้ต่อเนื่องนะโดยเฉพาะย่างยิ่งการทำให้ต่อเนื่องนะตั้งแต่ตื่นยันหลับนะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เกิดนิสัยนะเรียกว่านิสัยแห่งความรู้สึกตัวถ้าเราทาแค่ในรูปแบบเดินจงกรมสร้างจังหวะ นะแล้วก็ <c oughs> ในชีวิตประจำวันเราไม่ได้มีความรู้สึกตัวกับกิจวัตรหรือสิ่งที่เราทำเลยเนี่ยมันก็ทำให้ห่วงโซ่แห่งความรู้สึกตัวมันขาดไปมันเหมือนกับจะต้องมาเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้การเจริญสติของเราเนี่ยเนื่นช้าบางคนทำมาสามปีห้าปี10ปีก็ยังโกรดเหมือนเดิมยังหงุดหงิดเหมือนเดิม นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เพราะาเราขาดการทำที่ต่อเนื่องนั่นเองบริการการทำที่ต่อเนื่องเนี่ยนะเรียกว่าทำทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะให้มีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวให้มันบ่อยๆนะแต่ก็อย่าไปเคร่งเครียดอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันเกินไปนะมีบางคนเอาจริงเอาจังมากมันก็เครียดนะเครียดแล้วมันก็เบื่อมันก็ล้าเรียกว่ามันด้านไปเลยเาเรียกนะ เพราะนั้นถ้าเกิดตึงเครียดเกิดหนักขึ้นมาก็คลา ย, ลายบ้างนะอย่างที่หลวงพ่เทียนบอกทำเล่นๆแต่ทำจริงๆอะไรอย่างนี้ซึ่งคำนี้มันพูดแล้วฟังยากงั้นทำเล่นๆทำเล่นๆทาเรื่อยๆนะก็คือทำอยู่ในชีวิตประจำวันนะไม่ได้หวังผลนะไม่ได้เอาจริงเอาจังกับมันจนเกินไปแต่ก็ไม่เลิกละนะไม่ได้ทาเพราะว่ามันขยันจะทำและไม่ใช่เลิกทาเพราะว่า เบื่อที่จะทำเบื่อก็ทำไม่เบื่อก็ทำนะคืออย่าให้ความขยันหรือความเบื่อเนี่ยมาพาให้เราทำหรือไม่ทำนะเราถือว่า <c oughs> นี่เป็นสิ่งที่จะทำให้กายกับใจเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเรียกว่าให้ใจเนี่ยมาอยู่กับเนื้อกับตัวการเจริญสติก็คือให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวการที่เราเป็นทุกข์ส่วนใหญนะ่ก็เพราะว่าใจไม่ก็อยู่กับเนื้อกับตัว มันไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆเรื่องในอดีตรเรื่องในอนาคตนะเรื่องราวต่างๆนะทั้งที่สุขทั้งที่ทุกข์นะมันก็มาประดังประเดเข้ามาการที่เราไม่ได้ฝึกเนี่ยเราก็จะหลงนะไปกับความคิดปรุงแต่งหลงไปกับอารมณ์ต่างๆอย่างเรามาอยู่วัดป่าสุโข โ, โตโสบายเงียบสงบนะบางคนก็ติดกับความสงบต ร, ตรงนี้ นะเรียกว่าขี้เกียจขี้คานไปเลยนะก็คือไม่อยากที่จะมาเดินจงกรมไม่อยากที่จะมาสร้างจังหวะนะกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จากวัดป่าสุกโตยอย่างเต็มที่นะจะทําให้เราเสียประโยชน์ไปนะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะเกิดเบื่อตัวเองขึ้นมาว่าเอ๊ะ ก, กูมาทําอะไรที่นีนะ่บางทีก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจะมาทําอะไรนะเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยเมื่อเรามาเจริญสตนะิมาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะเนี่ยมันจะได้เจอกับอารมณ์เจอกับความคิดปรุงแต่งเจอกับความทุกขนะ์ความทุกข์ที่มันสแสดงออกมาโดยเฉพาะความคุกที่กายก็ดีความทุกข์ที่ใจก็ดีนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยนะนั่งนานๆมันงกง่วงมันเบื่อนะมันฟุ้งซ่าน นี่แหละเป็น <c oughs> ปรากฏการณ์เป็นอาการที่แสดงออกมาไม่ต้องหลีกหนีเรียนรู้มันนะการเรียนรู้นั้นก็คือมันเจ็บมันปวดเราก็รู้อยู่นะแต่ใจเราไม่หงุดหงิดหรือใหม่ๆ ม, มันก็จะหงุดหงิดไปก่อนละเพราะว่าเราไปจมอยู่กับอาการเจ็บอาการปวดเพราะนั้นถ้าเกิดอาการอย่างนี้นะรู้อย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากมันปวดมันเมื่อยเราก็รู้ นะแต่เรามาสนใจกับการเคลื่อนไหวการปวดเมื่อย น, นั้นเราแก้ไขโดยการผ่อนคลายบรรเทาเปลี่ยนไดนะ้แต่ก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยให้เปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่พอปวดเมื่อยปุ๊บเปลี่ยนเลยนะอันนี้เรียกว่ามันจะขาดช่วงไปแล้วก็ให้มีความรู้สึกตัวมันง่วงก็ไม่ยอมมันนะบางคนง่วงแล้วกลับกุฏินอนเลยดีกว่า เนาไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวแล้วทั้งทั้งที่มาขืนก็นอนเต็มที่นะแต่พอมาปฏิบททัติทีไรง่วงทุกทีเลยนะพอง่วงทุกทีเนี่ก็ยอมแพ้มันทุกทีกลับไปนอนนอนให้อิ่มเลยนะแล้วออกมาปฏิบัติต่อนะบางทีปฏิบัติต่อก็ยังง่วงอีกโอ้ไอ้นี่มันไม่ใช่ง่วงจริงๆแล้วเป็นง่วงที่จิตแล้วเพราะนั้นมันมีวิธีเดียวคือไม่เชื่อมันทวนกระแสมันมันง่วงเท่าไหร่ไม่นอน เรียกว่าเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยพยายามที่ทำให้มันต่อเนื่องเดี๋ยวมันจะไปเจอนะที่สุดของความง่วงคือความตื่นลองดูสิง่วงจนถึงที่สุดมันตื่นขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นความง่วงเนี่ยมันก็เป็นบันไดที่จะให้ข้ามขึ้นไปสู่ความตื่นความฟุ้งซ่านความเบื่อก็เหมือนกันอันนี้มันเป็นอารมณ์เบื้องต้นเลยสําหรับคนที่ปฏิบัติเรียกว่าเป็นภูเขาก็ได้ภูเขาห้าลูก น, นิวรห้า นะความเบื่อความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดความอะไรอะ่ะรักสบายอะ่ะไม่ชอบที่จะทำอะไรมันลำบากนะเพราะฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติเนี่ยถ้าเจออารมณ์พวกนี้แล้วถ้ายอมแพ้มันตั้งแต่เบื้องต้นนะเราจะไม่ได้สัมผัสนะกับสิ่งที่ละเอียดเข้าไปก็คือความสุขที่ประณีตมันต้องทะลุอารมณ์เหล่านี้ไปก่อน นะมันจะไปสัมผัสกับความโปร่งเบาความปิตนะิที่จะเกิดขึ้นแต่ปิติความโปร่งเบาก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายอีกนะมันเป็นอารมณ์ที่จะผ่านเข้ามาให้เราเรียนรู้นะแล้วเราก็ผ่านเลยไปนะสิ่งที่เราจะสัมผัสได้ชัดๆก็คือความเป็นปกติของใจความเป็นปกติเนี่ยมันมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของใจที่ไม่สุขและไม่ทุกขนะ์ที่เป็นปกติเฉยๆ นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่หล่อเลี้ยงให้เรามีชีวิตชีวาทำให้เราไม่เป็นโรคประสาททำให้เราไม่ทุกข์นะความเป็นปกติของใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเดิมแท้เลยนะที่เรามีอยู่แต่น้อยคนนะที่จะรู้จักถ้าเราไม่ผ่านอารมณ์ต่างๆที่เป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจมันผ่านอารมณ์เหล่านี้ มันก็จะไปเห็นเปรียบเทียบอ๋อปกติมันเป็นอย่างนี้เนาะพอใจไม่พอใจมันไม่ปกติอ๋อมันเป็นอย่างนี้เนาะถ้าเราสัมผัสกับปกติบ่อยๆความรู้สึกตัวนี่แหละนะที่เป็นตัวที่ทําให้เราสัมผัสกับความเป็นปกติบ่อยๆถ้าเราสัมผัสบ่อยๆจนคุ้นเคยเนี่ยนะอะไรมันเกิดขึ้นในใจนิดนึงเรารู้เลยก่อนจะโกรธเนี่ยมันจะมีกระเพื่อมกระเพื่มขึ้นมาก่อนมันจะหงุดหงิดขึ้นมาก่อนนะมันเริ่มรู้แล้ว นะนี่นก็คือเราสัมผัสกับความเป็นปกติหรือถ้าเราเห็นปกติบ่อยๆเนี่ยแม้แต่ความพอใจความสุขเราก็จะรูนะ้เราก็จะไม่ไปชื่นชมไม่ไปจมอยู่กับความสุขแล้วก็ไม่ตกจมอยู่กับความทุกขนะ์เรียกว่าถอยออกมาดนะูถ้าเราไม่ได้ฝึกหรือฝึกมาไม่ดีเราก็จะจมไปในสุขและในทุกพอใจไม่พอใจนะรักชังนะ อันนี้ก็เป็นสภาพที่ไม่ปกติเมื่อเราสัมผัสกับความเป็นปกติบ่อยๆนะตรงนี้แหละนะ่าจะเป็นที่พักนะ่เรียกว่าเป็นบ้านที่แท้จริงนะ่ที่ให้ใจเนี่ยได้พักนะเราเหนื่อยนะกับความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในอนาคตนะ่เรียกว่าจิตใจเนี่ยมันไรเห่เร่ร่อนเราให้ใจเนี่ยมันกลับมาอยู่กับเนกับตัว เอาความรู้สึกตัวนี่แหละเรียกกลับมาเรียกว่าเรียกขวัญกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวทำตรงนี้บ่อยๆทำเรื่อยๆใหม่ๆมันก็ไม่เคยอยู่หรอกนะใจมันก็จะไปตามความเคยชินของมันไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะเรียกว่ามันไม่อยู่กับที่ต่อไปนี้เนี่ยเราเอาการเคลื่อนไหวของกายก็คือสติความรู้สึกตัวกับกายนี่แหละนะเป็นตัวที่จะชักจูงนะที่ให้มันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว แต่ตรงนี้กลับมาอยู่บ่อยๆตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราห้ามความคิดนะมีบางคนไปปฏิบัติแล้วห้ามความคิดไม่ให้มันคิดงาคิดว่าความสุขก็คือไม่ต้องคิดไอ้นั้นยิ่งไปกดดันไปเก็บกดนะมันจะเกิดอาการที่มึนตึงขึ้นมาหนักขึ้นมานะเรียกว่าไปเก็บกดมันคิดขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่ให้รู้ทันมันแต่ไม่ตามมันกลับมาอยู่ที่กายเคลื่อนไหว คิดทุกครั้งกลับมาทุกครั้งนะบางทีก็ทันบางทีก็ไม่ทันไม่เป็นไรไม่ทันไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่กลับมารู้สึกตัวใหม่ทําอยู่อย่างเงี้ยใหม่ๆมันก็ไม่ใคยทันล้เผลอบ้างรู้บ้างเรียกว่าหลงบ้างรู้บ้างนะแต่ทําไปเรื่อยๆมันจะรู้ได้บ่อยนะยิ่งคิดยิ่งรู้นะหลวงพ่อเทียนนั้นใช้คำคำนี้ยิ่งคิดยิ่งรู้ไม่ห้ามความคิดแต่ไม่ตามความคิดนะมันคิดขึ้นมาเท่าไหร่รู้ทันมันเท่านั้น ตรงนี้แหละสติมันจะพัฒนาให้เท่าทันความคิดแล้วตัวความคิดมันก็จะพัฒนาตัวมันขึ้นไปแนบเนียนขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นตัวนี้มันเป็นพัฒนาการที่เราจะเห็นนะเพราะฉะนั้นเราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำให้มันต่อเนื่องทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบนะเราจะได้เห็นความจริงนะได้เห็นปรากฏการณนะ์ที่มันจะแสดงออกมาทั้งในส่วนของร่างกายแลนะส่วนของจิตใจ เมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไปจมเนาะในความคิดปรุงแต่งในอารมณ์ต่างๆนใจมันก็จะเป็นปกติเฉยๆสัมผัสกับปกติเฉยๆเนี่ยตั้งแต่ตื่นยันหลับซึ่งตรงเนี้ก็จะเป็นเรื่องสนุกเลยถ้าทําได้เนี่ยพี่จะสนุกสนุกในการดูแต่ก่อนเราไม่เคยสนุกเพราะว่าเราจมไปอยู่ในอารมณ์บางทีอึดอัดขัดเคืองหนักแน่นนะ แน่นอกแน่นหัวหนักหัวมึนตึงเครียดนะตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราเป็นสัญญาณบอกว่าเราหนักไปทางใดทางหนึ่งแล้วล่ะอาจจะเพ่งเกินไปไหมอาจจะจ้องเกินไปไหมหรืออาจจะไปคาดหวังเกินไปไหมนะอันนี้มันส่งสัญญาณมาเนี่ยเราจะต้องรู้จักผ่อนคลายบ้างนะการปฏิบัตินั้นต้องรู้จักผ่อนรู้จักคลายนะบางทีจริงจังมาก นะบางทีก็หนักเกินไปถ้าย่อนเกินไปมันก็หลวมอีกนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูความเหมาะพอดีของตัวเราเองเนาะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะในการปฏิบัติเพราะนั้นการปฏิบัติ ด, ดูรูปแบบไม่ยากนะแต่ว่ามันยากตรงทำยังไงให้มันต่อเนื่องนะแล้วก็ให้รู้เท่าทันตรงนี้แหละเป็นจุดสำคัญแล้วก็สิ่งสำคัญสำหรับคนที่ต้องการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะก็พยายาม ใช้คำพูดใหน้อยนะอย่างตอนนี้คนจิงเขาเก็บอารมณ์นะเขางดการพูดคุยนะเห็นที่ป้ายเขาเขียนง ด, งดพูดนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความตั้งใจเนาะที่เขาจะปฏิบัตินะเพราะว่าเขามีเวลาไม่มากนะไม่เหมือนพวกเราที่มีเวลาอยู่นะสหรับพระใหม่ที่บทใหม่ก็อยากจะนิมนต์นะเชิญชวนเนาะมาศึกษาเรื่องพวกนี้นะจะบวชกี่วันก็ตามนะมาฝึก เรื่องพวกนี้เพราะว่า <c oughs> จะได้เอาไปใช้นะหลังจากเราออกจากที่นี่ไปนะอย่างน้อยๆมันก็มีวิชาติดตัวไปนะวิชาวิชาแก้ทุกนะวิชาแก้ทุกในใจนะเป็นวิชาที่สำคัญไม่มีที่ไหนสอนนะในโรงเรียนก็ไม่มีมหาวิทยาลัยก็ไม่มีวัดบางวัดก็ไม่มีสอนแต่ที่นี่เรามีสอนกันเพราะนั้นมาบวชแล้วมาอยู่ที่นี่แล้ว อย่าพลาดโอกาสสำคัญนี้ในการที่จะฝึกในการที่จะเรียนรู้นะจะได้รู้ว่านิสัยของเรามันเป็นอย่างไรความทุกข์เป็นอย่างไงการแก้ทุกข์แก้ได้อย่างไรนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถจะทำได้ไม่ใช่เรื่องที่เหลือวิสัยนะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บรรยากาศของวัดป่าสุกโตเนี่ยเอื้อให้มากนะทั้งสถานที่ทั้งบุคลากร ทั้งสิ่งแวดล้อมก็ให้ใช้ประโยชน์จากวัดป่าสุกโตนะให้สมกับที่หลวงพ่อบุญธรรมหลวงพ่อคำเขียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะและก็พวกเราทั้งหลายที่ได้ช่วยกันนะทำให้วัดป่าสุกโตนะี้ยังเป็นสถานที่นะสําหรับการที่จะให้พวกเราได้มีโอกาสนะได้ฝึกฝนอบรมตัวเราเองให้รู้เท่าทันกายใจของตัวเราเองนะเพื่อที่จะ ออกจากทุกนะที่มีอยู่ในใจไม่มากก็น้อยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้นะอะไรในท้ายที่สุดนี้นะก็ก่ออ้างอิงเอาคุณของพระศีรัษนตรยัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริง นะที่แสดงออกให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะพระสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัติการเจริญสตนะิที่มีความเพียรความพยายามความอด ท, ทนนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนะี่ยก็ขอให้เป็นพรวะวปั จ, จัยหนุนนาให้ทุกท่านนะได้ถึงซึ่งใจที่เป็นปกตินะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันใน ว, วันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร